เวลาของการรับฟังทำกันก็ในเรื่องของการเจริญในกุศลก็มีอยู่หลายวิธีแต่ที่หลักๆก็คือการเจริญ ในเรื่องของทานศีลภาวนาวันนี้เรามา <c oughs> ฟังในเบื้องต้นของการสร้างกุศลแบบง่ายๆก็คือการให้ทานดำใหม่ ใช้คำว่าบุญที่สำเร็จด้วยการให้ทานหรือว่าการบริจาคเป็นทานน้มัยทำไมตมาจึงออกล่าวว่าการให้ทานเป็นการบําเพ็ญที่ง่าย แล้วก็สะดวกเพียงแต่ว่าจิตที่เกิดเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขหรือขณะกุศลจิตที่เกิดกุศลในขณะนั้นเราก็สามารถที่จะสร้างบารมีทานได้อย่างเช่นโยม ที่เป็นผู้ภาวนาปฏิบัติเราเดินทางอยู่ที่ไหนก็ตามเราเห็นคนที่เขาหิวข้าวเงี้ยเด็กเจอในช่วงระหว่างทางหรือ ว, ว่าเจอคนพิการที่เขาช่วยเหลือตัวเอง ไม่ได้หรือว่าลำบากในสภาพชีวิตเมื่อเห็นแล้วเออเรามีเศษเงินหรือว่าเรามีเงินที่พอจะเหลือใช้เล็กๆน้อยๆที่เป็นค้นถุงเราก็สามารถที่จะบริจาคหรือซื้อข้าวให้เขาอาหารให้เขาทานก็ได้แต่โดยเฉพาะ พระสงฆ์องค์เนรยามเช้าๆช้าเนี่ยถ้ายมตื่นเช้าขึ้นมายมเห็นพระสงฆ์องคเรเนี <c> ่ย <oughs> บินทบาทอยู่โคจรบินทบาทยมเกิดกุศลขึ้นมานะบอกเอออยากจะทำทาน เราก็สามารถซื้อข้าวถุงแกงถุงก็ได้พอซื้อเสร็จโยมก็จบอธิษฐานขึ้นมาว่าเงินที่เราได้ซื้อข้าวปลาอาหารถาวายพระคุณเจ้าจิตที่เป็นกุศลยมอุทิศส่วนกุศลให้ใครก็ดี หรือยมตั้งใจทำให้กับเจ้ากรรมในเวรหรือทำเพื่อสร้างบารมีทานให้กับตัวเองเราก็สามารถทำได้ง่ายๆข้าวถุงแกงถุงยงก็ถวายได้แล้วนี่คือการสร้างทานไม่ยากมีเงินร้อยหนึ่งห้าสิบสามสิบ 20เราก็สามารถบำเพ็ญเป็นทานบารมีได้แต่ทานที่ให้ยากขึ้นไปอีกก็มีไม่ใช่ว่าจะง่ายเสมอไปนะมีต้องเป็นผู้รู้จักเสียสละจริงจริงจึงจะให้ทานขั้นสูงได้ แต่ขั้นพื้นฐานอย่างที่อาจะมาได้แสดงไว้เรามีเงินร้อยห้าสิบบาทยี่สิบบาทเราก็สามารถทำบุญตักบาทได้ซื้อข้าวปลาอาหารเศษเงินที่มีอยู่ล้วก็สามารถให้ทานกับผู้ยากไร้ได้ในช่วงน้ำท่วมเกิดอุทกภัยเกิดนักคีภัยวายโยภัย เราก็สามารถสร้างฐานได้แม้เสื้อผ้าที่ใส่แล้วนะเราคิดว่าไม่มีค่าแต่มันมีค่าสำหรับชีวิตของคนอีกกลุ่มหนึ่ง อ, อีกระดับหนึ่งโดยเฉพาะผู้ที่ยากไรนะ้เนี่ยเสื้อผ้าเก่าของเราเนี่ย อาจจะใหม่สําหรับเขาก็ได้อาโยมไปดูตามชนนำบทลูกหลานเสื้อบางตัวเนี่ยขาดปกเสื้อนี่ก็ขาดมีเชลารเนี่ยเต็มไปหมดเป็นจุดๆๆเขียวๆบางทีก็กระดุมเสื้อ หลุดบางทีเด็กก็สนุกเล่นกันนะโยมดึงไปอย่างวิ่งไล่จับกันดีก็คว้าเสื้อได้อีกคนนึงก็ยังจะวิ่งนี่ก็คว้าไว้บางทีก็เล่นกีฬาเาตะคางเกงขาดบางตัวก็ใช้นานๆ น, น, นั่งโยมต้องเข้าใจว่ า, าในระดับรากย่านเนี่ย เขาไม่ได้นั่งโซฟาอย่างที่พวกเรานั่งนะนั่งกับก้อนอมีเจอก้อนหินสักก้อนหนึ่งใหญ่ๆ ห, ห, หน่อยพอจะอลองก้นได้เขาก็ปัดเสร็จเขาก็นั่งบางทีก็นั่งตามพื้นปัดให้สะอาดหน่อยเอาใบไม้มาลองไว้อย่างนี้เป็นต้นอยู่กับ กลิ่นไอของดินแดดก็จ้าฝนตกมาบางทีหลังคาก็รั่วแดดออกมามากก็ร้อนชีวิตชนบทเนี่ยต้องทนกับธรรมชาติไม่ใช่น้อยนะพวกเราเนี่ยสบายกว่าเขานะ่ะจะเดินทางไปไหนก็ขึ้นรถ ชาว บ, บ้านนี่กว่าจะถึงทีก็เดินกันเป็นสมัยก่อนต้องพูดว่าเป็นกิโลกิโลคัฉะนั้นเสื้อผ้าที่ใส่ก็จะชำรุดเร็วกว่าคนในเมืองหลวงหรือว่าในตัวเมืองเก่าสำหรับเราเนี่ยแต่ใหม่สำหรับเขานะเขาจะดีใจ ถ้า ใ, ใครมีเสื้อผ้าที่ลูกหลานของเราโตแล้วใส่อาจจะใส่ไม่ได้หรือว่าเก็บไว้ไม่ได้ใส่เลยมันหมดยุคแล้วก็เราสามารถเอาไปให้ทานกับลูกหลานที่ลำบากบ้านที่ยากจนคนแค้นก็เยอะแยะอยู่ที่ว่าโยม คนขวายที่จะให้ทันหรือเปล่าเท่านั้นเองบอเออบางคนก็ปะแล้วปะอีกก็มีเสื้อผ้าของพวกเรามีหลายชุดบางทีเด็กคนในชนบทก็มีแค่สองสามชุดเองมันก็ต้องชำรุดเร็วหน่อยใส่บ่อยซัก ใส่วันสองวันก็ซักตากใหม่ใส่ใหม่นี่คือพื้นฐานของการให้ทานก็คือความแบ่งปันเขาเรียกจากฆะมีการแบ่งปันช่วยเหลือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายกันยมลองมอง กลับกันดูนะถ้าวันหนึ่งพวกเราเนะี่ยมีฐานะยากจนค้นแค้นชะตาชีวิตตกกรรมลำบากแล้วเราไปอยู่ในจุดชีวิตตรงนั้นยมจะรู้สึกถ้ามีใครหยิบยื่นพูดดีกับเรายิมแยม ได้หยิบยืนให้กับเขาเวลานั้นเนี่ยเขาจะมีความสุขมากเขาโถโยมเชื่อมาทุกคนก็ต้องต่อสู้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าชะตาชีวิตบางทีก็เหมือนตลกบางทีก็สวยซ้อนสวยซัดที่เขาว่ามันก็ซ้ำสากในเรื่องของ สิ่งร้ายๆที่เข้ามาในชีวิตของบางคนมันก็เหมือนนิยายนําเน่าแต่โยมรู้ไหมนิยายนําเน่าที่พวกเราเคยฟังชีวิตจริงบางครอบครัวเนี่ยยิ่งกว่านําเน่าตรงนั้นซะอีกเขาก็ามาจากชีวิตนั่นแหละแต่ว่าใครที่ต้องมีชะตาชีวิต ในช่วงที่ลำบากนถ้าพวกเราเข้าใจเนี่ยฐานาไมก็มีเพื่ อ, ขอเขาเรียกว่าแบ่งปันหรือว่าปันส่วนะเราก็พิจารณาว่าเออเหมาะสมตรงนี้นะบางคนในโยมเกิดมาดีฐานะดี การศึกษาดีทุกอย่างดูเหมือนว่าเหนือเขาหมดอะไรก็เหนือเขาบอกชาติตระกูลก็สูงกว่าเาบอกฐานะก็ดีมั่นคงกว่าการศึกษาก็มีการศึกษาที่ดีกว่าการเป็นอยู่ทุกอย่างดีกว่าหมด แล้วคนนี้เขาก็ไปดูถูกอีกคนหนึ่งเป็นคนยากคนจนในระดับรากยากเนี่ยเราไปรู้สึกไปดูถูกถ้ามมาบอกว่าคนใดมองคนไม่เหมือนคนคนนั้นแหละไม่ใช่คนตัวเองเนะี่ยจะไม่ใช่คนก่อนเริ่มแรกเลยถ้ามองอย่างนี้นะ ธรรมะจึงบอกเออทุกอย่างเข้าสู้เราไม่ได้แต่เวลาให้เลือกทำไมเขาไม่เลือกเราเขาบอกว่าคุณมีดีแล้วทุกอย่างแต่สิ่งที่คุณไม่มีหนึ่งความกัดตันอยู่ในครอบครัวสอง คุณไม่เคยคิดช่วยเหลือใครเลยมีแต่สับมีแต่โขกมีแต่ดูถูกมีแต่เยียบย้ำมีแต่ประนามผู้อื่นยกตนเป็นหงฟ้าแล้วก็จิกผู้อื่นไปทั่วหมดสุดท้ายเขาก็ไม่เลือก แล้วถามว่าตัวเองไม่มีอะไรดีเขาบอกดีกว่าทุกอย่างแต่สิ่งที่เขาไม่มีก็คือความดีมันเสียเลยนะโยมเราไม่มีสิ่งที่จามาบอกเบื้องต้นได้นะแต่ท้ายสองประโยคหลังนะขาดไม่ได้เราต้องมีความกระตันอยู่ครอบครัวและ เราต้องเป็นคนดีที่มีน้ำใจที่แม่ยมถึงบอกอย่าอย่าไปสันเติมชีวิตคนที่เขาลำบากอยู่แล้วเราถือน้ำมาสองขวดคนเขากำลังกระหายนะ้จนปากซีดแห้งวันละ แล้วเขาจนต้องเอ่ยปากบอกเขาหิวน้ำขอน้ำทานหน่อยทำไมจะให้ไม่ได้มันไม่ใช่เป็นสิ่งมากมายอะไรให้เขาเถอะช่วยชีวิตคนมันก็เหมือนกับสร้างกุศลใหญ่ ใหญ่จริงๆนยมยถ้าเราช่วยชีวิตคนที่เป็นคนดีอีกเขาก็จะได้ไปทำดีอีกเยอะแต่บางคนถ้าไม่ช่วยน้ำสองขวดที่ถือกลับไปด่าเขาอีกไปประนามเขาอีกไปดูถูกเขาอีกไปรังเกียจเขาอีกก็มาบอกคนนี้เป็นคน ไม่รู้จักคำว่าจิตใจมนุษย์เขาตีข้ามนุษย์อยู่ที่ว่าเสื้อต้องสวยรถต้องหรูบ้านต้องใหญ่โตมันไม่ใช่นะไมใ่ใช่บอกฉะนั้นการที่เรามาศึกษาทำ จุดนี้เราจะได้รับประโยชน์เราจะได้รู้ถึงบอกเออทาไมที่เราจริงไม่เกิดมาเป็นขอทานทําไมเราจริงไม่พิกงพิการก็เพราะเรารู้จักให้ทานมาเราจริงไม่ต้องเป็นขอทาน เรารู้จักสร้างทานบารมีมาสั่งสมอบรมบุญมาเราก็ไม่ต้องไปลำบากเราไม่ไปทารุณกรรมชีวิตของสัตว์น้อยใหญ่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็ไม่ต้องไปเจอกับตัวเองที่ต้องมาตกรกรรมลำบากต้องมาอดๆอ ย, า, อยากๆแถมต้องเป็นโรคร้ายอีก บางคนมีของรักนะแต่อายุสั้นเพราะอะไรโยมรู้ไหมบุคคลนี้ชอบทำลายจิตใจผู้อื่นทำลายความสุขของผู้อื่นเวลากกงกรรมกกงเกลียนที่คำบอกว่าหมุนเวียนคือมาสู่ตัวเอง ทำอะไรไว้เหมือนเกวียนที่เดินตามอรอยเท้าโคอย่ทำอะไรไว้มันก็คืนกลับมาอีกฉะนั้นน้ำขวดที่ถือไว้สองขวดก็ให้เขาไปเถอะให้เขากินเรายังหาใหม่ได้ยังมีกำลังซั์อยู่ช่วยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เราสะละแค่นี้ไม่ได้คนคนนี้ตระมาว่าจิตใจไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วแสงว่าอยู่เพื่อเพื่อสิ่งตอบแทนทุกอย่างคนคนนี้เกิดมาเขาไม่เข้าใจเขามาฐานบารมีแล้ววันหนึ่งถ้าเขา อยู่แล้วไม่มีสิ่งใดที่เป็นผลประโยชน์และที่จะตอบแทนเขาได้เขาจะไม่มีความสุขเลยถึงบอกเออชีวิตบางโอกาสไม่จำเป็นต้องเรียกร้องอะไรทำเพื่อมีจิตสำนึกที่ดีความรู้สึกที่ดีที่เราควรทำฉะนั้น ผู้ภาวนาอย่าขาดในเรื่องของทานบรารมีเป็นกุศลเบื้องต้นเบื้องต้นเรื่องข้าวปลาอาหารขนมนมเ น, มนยเสื้อผ้าเครื่องนุ่มขมของภายนอกเพียงแค่นี้ถ้าเราสละไม่ได้แต่มาก็บอกได้แล้วว่าทานขั้นสูงกว่านี้ก็ไม่ได้ แค่คำเดียวยมรู้ไหมคำว่าให้อภัยให้อภัยเรียกว่าอาภัยทานน่คำนี้จิตสูงฟังง่ายแต่ไม่ง่ายนะให้อภัยเรียกว่าอาภัยทานอย่านึกว่าให้ได้ทุกคนนะ ไม่ทุกคนบางคนถ้าใครทำให้เจ็บพวกโกโรธหรือว่าแค้นเคืองก็จะมีใจพยาบาทผูกใจเจ็บไม่ญาติ ด, ดีกับคนนี้อีกเลยคิดขึ้นมาก็อยากจะลางแคนคิดขึ้นมาก็อยากจะทำลายคนนี้คิดขึ้นมาก็อยากจะ ให้เขาได้รับความเจ็บปวดเหมือนกับที่เราได้รับหรือให้รับมากกว่าถ้าหัวใจของผู้ภาวนาปฏิบัติถ้าเป็นอย่างนี้นะจะมาบอกแทงศูนย์สอบตกเอ็นไม่ผ่านจะเรียนทำระดับขั้นสูงเนี่ยไม่ผ่าน การวิปัสสนาขึ้นไปนะไม่ผ่านมันต้องมีปัญญาโยมเก็บความแค้นไว้ถ้าเกับโยมทำให้ใจตัวเองเศร้าหมองเจ็บปวดรู้สึกว่าตนนี้ยังมีทุกข์อยู่กับสิ่งนี้จริงๆไฟมันดับแล้วแล้วยมจะไปถามหาไฟทำไมอีก เชื้อมันไม่หมดแล้วแล้วยมจะเอาเชื้อไฟมาใส่เติมทำไมก็ในเมื่อยมบอกไฟมันร้อนหยุดใจที่พยาบาทหยุดใจที่อาฆาตอภัยทานหรือ ใช่ก็มะอาโหาสิสองเคราะห์เข้ามาด้วยกันโยมยกโทษได้ไหมให้อภัยทานใครผิดต่อเราอภัยใชเพียงแต่ว่าเราไม่ผิดต่อใครนั่นแหละบัณฑิตเช่นคนอื่นผิดกับเราเน่ เป็นธรรมดาแต่สิ่งที่เราไม่ควรผิดกับคนอื่นเนี่ยโยมต้องทำให้ได้ใครผิดกับเราเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราผิดกับคนอื่นไม่ธรรมดาเพราะอะไรเพราะโยมอโยมเป็นผู้จเจริญกุศลอยู่ให้ทานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนา เห็นไหมเวลาคนอื่นผิดกับเราเนะี่ยยมรู้สึกอย่างไรโกรธโมโหแค้นขัดเคืองพยาบาทและถ้าเราผิดกับคนอื่นคนอื่นเขาก็มีความรู้สึกแบบเราเราแต่ต่างกันตรงที่วยเราเป็นผู้ปฏิบัติ เหมือนพวกเราเป็นผู้ที่ดื่มน้ำแบบได้กรองได้ฆ่าเชือ้อกับเมื่อก่อนเราไม่มีเครื่องกรองน้ำมันต่างกันนะจากนั้นผู้ภาวนาก็เหมือนว่าเป็นผู้มีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วโยมต้องอภิญฐานได้ พูดคำเดียวว่าอาโหสิไม่มีเวรต่อกันอาเวเรณัจสมันติเวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรถ้าใครทำจิตอย่างนี้ได้ยมจะไม่รู้สึกว่าชีวิตต้องเจ็บปวดอยู่กับอดีตและสุดท้ายยมจะปล่อยวางได้ ปล่อยว่าอาภัยทานชีวิตสัตว์น้อยใหญ่ยมอย่าไปทำลายอย่าไปเข็นฆ่าเขาทุกชีวิตก็ย่อมรักชีวิตของตัวเองเราเองก็รักตัวเอง บางคนอรักจนเห็นแก่ตัวมากไปจนดูถูกคนอื่นเหยีะบย้ยคนอื่นจิกชีวิตคนอื่นโคกศัพท์ผู้อื่นจะมาว่าจะมามองว่าคนนี้ไม่ใช่คนนะแต่ว่ายังมีรูปร่างเป็นคนอยู่แต่ว่าใจไม่เป็นมนุษย์แล้วและที่ทํามากล่าวอย่างนี้นะไม่ผิดนะพอเขาตายจากชาตินี้ไปนะ คติที่เห็นอยู่เบื้องหน้าจะจะเลยนะหนึ่งตกลงสู่อบายภูมิคือตกลงสู่นรกสองมีทุกขติอยู่ที่ใจเห็นอยู่ก็คือไม่นรกถ้าผ่านมาก็คืออยู่ในภูมิของสัตว์เดราาัจฉานพอถึงวันนั้นชีวิตกลับมาโยมรู้ไหม ที่ขกสับเขามากๆใช้เขาจนเกินไปกินแรงงานมากไปกลับมาเป็นวัวเป็นควายมาเป็นวัวเป็นควายมาเป็นไม้เขาขี่มาเป็นวัวให้เ็าจูงจมูกควายแล้วก็ตีให้เอาคาดใส่แล้วก็ลากเลยกับพื้นโยมคิดหนักเท่าไหร่ เขาก็เคียนตีตอนนั้นเพื่อให้เราออกแรงให้สุดฤทธิ์ของพวกเราพอหนักบอกว่าเออมาช่วยกันนะแล้วก็ไม่ไหวก็วางก่อนอันนี้ไม่ใช่พอยิ่งเกวียนตกหลุมนะตกหลุมนะโอ้โหก็ยิ่งเคียนอย่าดีใจนะใครในะที่สับโขกชีวิตคนอื่นอยู่ ใช้แรงงานก็จนเกินตัวแล้วค่าตอบแทนก็น้อยนิดด่าเสียเสียหายหายสาบแช่งคนนั้นคนนี้รังแกเขาบีบขั้นทุกอย่างระวังไว้เดี๋ยวจะปัญญาอ่อนด้วยถูกจุงจมูกถูกใช้แรงงาน กรรมวิบากนั้นยังส่งผลนะโยมเชื่อไหมวิบากกรรมที่เบาบางนะต้องเกิดในยุคที่ยังมีการค้ า, า่าคนที่เป็น่าตยุคนั้นส่วนมากก็คือมาจากนี่แหละกดขี่คมเหงเบียดเบียนรังแกใช้แรงงานใช้ผู้อื่นเยี่ยนธาตไม่เคยเห็นใจใครเลยพอใช้จากนรกไปสู่ ขึ้นมาสู่สัตว์เดรัจฉานก็มาใช้แรงงานพอเบาบางหน่อยเศษวิบากยังมีก็มาเป็นมนุษย์ในยุคที่มีธาตุอยู่กินก็กินหลังเขาจะใช้ว่าเป็นเศษอาหารก็ไม่ผิดของเหลือก็ไม่ผิด ทำพูดดีๆอย่าหวังจะได้ฟังการถูกเียนตีนี้เป็นประจำเป็นที่ระบายบอกเออโยมไม่ปรารถนาที่จะเป็นทาสของใครโยมอย่าใช้ใครเสมือนทาสถ้าไม่อยากให้ใครดูถูกก็จงเลิก โดมิ่นผู้อื่นท่าไม่อยากให้ใครกระด้างกระเดืองกับเราหยุดชีวิตที่จองหองได้แล้วทำจองหองทำไม่ดีเลยสายตาที่มองแบบเชื่ดเฉือนคำพูดที่เชื่ดเฉือนอากับกิริยาที่แสดงออกมาทำเหมือนเขาไม่ใช่คน ระวังนะใครที่ทำตัวเหมือนคนไม่ใช่คนจิตใจคนนี้กำลังเป็นสัตว์อยู่ยิ่งดูร้ายเท่าไหร่ก็เพิ่มความเป็นสัตว์มากเท่านั้นแต่มาจิงบอกว่าเออคนปฏิบัติต้องเห็นคำว่ากรรม เมื่อก่อนจะมาไม่เข้าใจนะเรื่องกรรมมาเห็นโง่เห็นควายไม่เคยรู้เรื่องเห็นช้างแต่แปลกวันดีคืนดีเหมือนจิตมันสัมผัสเหมือนมันบอกเรายังไงไม่รู้เออช้างถูกถูกล่ำโซ่ยืนน้ำตาไหล ยินมองพักมันเป็นสัมผัสยังไงไม่รู้มันก็บอกว่าเขาเคยมียศใหญ่บรรดาศัก์สูแต่เขาไม่เคยเชื่อฟังใครคมเหงจจงกดขี่ทุกอย่างอำนาจก็มีบทที่ต้องมารับกรรมบิบากตัวใหญ่จริง กระโหลกสมองดูใหญ่จริงแต่รู้ไม่ยมทุกอย่างจะถูกขอสัตว์ไปที่หัวถูกสัตว์ไปที่หูจนหูแหวงก็มีหูขาดก็มีช่างบางตัวพอเจ้าของก็โกรธมากๆเขาทำไม่เชื่อฟังหรือว่าดือ้อเขาจะใช้กขามาตีจะใช้ตะขอในสัตว์ ไปไหนไม่ได้นะเขาไม่ให้อิสระพอบทกลับมาใช้มันถูกล่ำโซ่อยู่ไม่อยู่ในคุกแต่ก็เหมือนมีโซ่ตรวนที่ไม่ให้ไปไหนและจำกัดอยู่ในเคราะห์อาหารชั้นดีก็แค่ได้กินยอดหญ้าใบไผ่ใบไม้เขียวๆแล้วก็กินฟางแห้งๆไปเห็นไหมโยม นานๆยมจะเห็นทีช้างเดินเด็กกินกล้วยใช่ไหมแต่ชีวิตจริงๆเขาไม่ได้กินกล้วยหรอกที่ให้กินกล้วยก็คือคนต้องการหาเงินเพื่อเลี้ยงตัวเองแล้วบอกให้เลี้ยงช้างนะเลี้ยงคนก็เลี้ยงช้างเลี้ยงช้างก็เลี้ยงคนซื้อกล้วยคนก็อยู่ได้ มีกล้ยให้ช้างกินช้างก็อยู่ต่องช่วยคนช่วยช้างช่วยช้างช่วยคนเพราะชีวิตอาศัยซึ่งกันและกันนี่โยมยาบางคนเป็นใหญ่เป็นโตนึกว่าฉลาดเฉลียวครอบงำเขาหมด ใช้คำสั่งอย่างเดียวขัดคืนก็สับทันทีเวลาบทมาใช้ก็บอกให้ลุกคือต้องลุกก็บอกให้นอนต้องนอนเราไม่มีสิทธิ์เถียงเลยพอไม่ทำตามขอลงและสับควานช้างจะรู้ดีสั์เข้าไป หูบที่ก็โดนขอสับช่วงหัวทีก็โดนสับร้องก็ให้คุกเข่าก็คุกเขา่าถึงบอกเออชีวิตเจ้ายามมีวาสนาเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าคนนายคนยกตนเป็นเทพเจ้ามองคนอื่นเป็น ชีวิตที่ไม่มีค่าเมตตาไม่มีเลยถึงบอกน่าเสียดายจังนั้นพวกเราเป็นผู้ปฏิบัติภาวนาอย่ามีจิตใจอย่างนี้การให้ทานเนี่ยแต่มาว่าก็เป็นอุบายหนึ่งที่ไม่ให้จิตใจของเราเนี่ยเข็นแก่ตัว โยมให้ทานบ่อยๆโยมจะรู้สึกได้นะสัมผัสได้รู้สึกใจเขาใจเราคนที่ไม่เคยให้ทานและคิดแต่ขอนะไม่เคยรู้ว่าใจเขาเป็นอย่างไรรู้แต่ว่าใจเราถึงบอก อ, อะไรอะไรก็บอกดีหมดการศึกษาดีตระกูลดีฐานะดีทุกอย่างดีหมด แต่เขาขาดความดีจึงสู้ชีวิตของคนที่เกิดมาแม้ยากจนกระตันอยู่และเป็นคนเสียสละเป็นคนดีเขาควรถูกยกย่องกว่าไม่ใช่หน้าตาสังคมแน่นอนหน้าตาสังคมในเวทีของคนมีเงินเนี่ยเขาไม่เคยยกย่องหรอกโยมคนเสื้อผ้ากาดกาด คนยากคนจนเขามองเป็นบุคคลอีกระดับหนึ่งแต่ว่าคุณธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพธ ย, ยดาเขารู้ว่าใครคือคนที่อยู่ในหัวใจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น โยมไม่ต้องน้อยใจมนุษย์มีกิเลสถึงจะยอเท่าไหร่อย่าไปดีใจเขาพูดไม่จริงเขาเปลี่ยนได้ทุกเวลาเขาให้มีผลประโยชน์เข้ามาเขาก็เปลี่ยนได้วันไหนถ้าขวางผลประโยชน์เขาก็ฆ่าเราได้โยมอย่าไปสนใจสิ่งที่เป็นเสียงรอบตัวมากเกิน แต่ถ้าไม่ฟังเลยก็ไม่ได้ก็ต้องมีวิจยัยญาณเช่นโยมจะต้องรู้จักอโหสิเพราะอาโหสิเป็นนั่นแหละใจที่เป็นฐานและเป็นจริงๆนะสูงขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่สูงเพียงว่าให้แค่เสื้อพ้าอาหารโยมสามารถสามารถ ยกจิตของตนไม่มีความพยายามบาทแต่มาบอกยากนะครว่าอภัยทานยากสิ่งที่ยากขึ้นกว่าคำว่าอภัยทานอีกเนี่ยให้ได้สละได้แม้แต่ชีวิตเพื่ออุทิศให้กับเบญยาสัตว์เหมือนพระพุทธเจ้า พระองค์สละเริ่มจากสละความเป็นเจ้าชายเห็นนหโยมสละเครื่องประดับอยู่ในกายหมดทุกชิ้นอัญมณีทั้งหมดที่ประดับตกแต่งตั้งแต่ที่พระเกษาลงมาจนถึงพื้นเท้าเลยสละหมดชื่อเสียงเกียรติอำนาจยศ เครื่องประดับเครื่องประดับเงินทองทั้งหลายหมดแล้วสละต่ออีกสละความสุขของโลกีวิสัยมนุษย์ที่ยังไม่พ้นทุกข์สละเรื่องกินรถอันโอชะพระองค์ไม่ติดแล้วสละรถได้ กามสละซึ่งกรรมมคุณได้ออกจากกามไม่ติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใจที่ถูกต้องอารมณ์ที่กำหนัดอยู่พระองค์สละเห็นไหมโยมเกียรติกินกามเกียดพระองค์สละออกมา พอสละนั่นคือเบื้องต้นในการสละของตัวเองเพื่อให้พ้นจากเครื่องพันธนาการหรือเครื่องข้องหรือเครื่องผูกยึดให้มีพบอยู่เรียกว่าภาวะสังโยชน์พอออกมาเสร็จพระองค์บำเพ็ญเพื่ออะไรเพื่อเวนยสัตย์พระองค์สละชีวิตตัวเอง สุขที่มีอยู่ความเป็นเจ้าชายความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิชื่อเสียงเกียรติทุกอย่างแม้แต่คำว่าความรักที่มีอยู่ราหุนลูกแล้วก็ชายาอานเป็นที่รักด้วยนะพระองค์สละลูกแล้วก็เมียภาษาบ้านเรา ไม่ใช่ทอดทิ้งนะสละพระองค์ไม่ได้ไปสบายถ้าพระองค์ไปสบายทิ้งให้คนอยู่ลำบากเขาเรียกว่าเราทิ้งเขาไปสวยสุขสุขสบายแต่ทิ้งให้ลูกเมียต้องตกละค ร, รลำบากอดๆอยาๆ่างๆแต่นั่นไม่เพราะอะไรที่พระองค์ไม่เอามาด้วยนำมาด้วยเพราะลูกจะลาบากเมียจะลำบาก อยู่ในวังมีคนรับใช้นับร้อยนับพันมีทุกสิ่งทุกอย่างขนมนมเนยลูกไม่อดพี่เลี้ยงมีแม่นมมีมารดาแท้ๆของลูกก็ยังมีทุกอย่างแล้วพระงไปอย่างนั้นอันตรายอีกไม่รู้อะไรต่ออะไรสัตว์ร้ายน้อยใหญ่ตกละกรรมลำบาก พระองค์ถึงกับต้องออกไปเที่ยวจาริกออกโคจรบินทำบาตยอมน้นดูว่าพระองค์สละถึงขั้นว่าถือบาทดินเนี่ยออกไปรับอาหารตามแว่นแคว้ น, า น, นอาคามนิคมน้อยใหญ่ บ้านไหนไม่ใส่ก็ไม่ใส่ก็ผ่านไปบ้านไหนใส่ก็ใส่ใ ส, ใส่ตามมีตามเกิดอาหารระบุได้ไหมโยมว่าไม่ได้ที่ก็าว่าพระอยากกินของร้อนก็ได้กินน้ําแข็งอยากกินของเย็นก็ได้กินน้ําร้อนไงนะมันมันเลือกไม่ได้ที่พูดอย่างนี้บางทีอยากกินโยมไม่ทอ้อถวายมากก็ไม่มีกิน บางวันหมดไม่อยากแล้วยมเอามาถวายเนี่ยนะนี่คือชีวิตของนักบวชที่โครจรบินทำบาตรตามมีตามเกิดที่โยมเขาใส่ในบาตรมาพระองค์สละถึงขั้นนี้ยมลองนึกดูคนที่ไม่เคยกินนี้ขยะขยงนะอะไรอะไรก็ลงไปในบาตรเดียวกันเสร็จแล้วก็เอามา รวมกันแล้วมาคนคนในทั่วแล้วก็ตักกินพยมจะถามว่ามาอร่อยไหมคะก็ไม่รู้อร่อยบ้านไหนไม่อร่อยบ้านไหนแต่ที่รู้รู้เนี่ยรวมไปแล้วเป็นอาหารรวมมิตรเห็นไหมโยม พระองค์สละเพื่อเวณนยศัตร์สละทุกอยาก่างญาติพี่น้องเพื่อนพรองทั้งหลายขนมนมเนยอาพร์แพรพันเพชรนินจินดาเครื่องประดับประดาทั้งหมดสละ ไปอยู่ป่าหกปีโยมคิดดูถ้าจะมาถามโยมคนทั่วๆไปคิดถึงบ้านไหมคิดทำไมคิดเพราะว่าตอนนั้นพระองค์ยังไม่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าความห่วงหาอะไรอาวรเนี่ยยังมีนะไม่ใช่ว่าตัดขาดสบั้นนะไม่ใช่มันโยม อ, ออกบวชเนี่ย กิเลสหมดแล้วยังวันแรกนะย้างโอ้ต้องบําเพ็ญอีกไม่ใช่พอเรียนจบมาก็รวยเลยไม่ใช่ก็ต้องมาทำการทำงานมาแสดงความรู้ความสามารถต้องใช้ระยะเวลาที่รงแรงไปอีกพรงอยู่ในป่าอยู่คนเดียว อยากเคยมีคาแทบบริพารห้อมร้อมมีผู้คอยผลเปรอทุกอย่างถามว่าตอนนี้พระองค์มีอะไรร่างกายกับจิตใจชีวิตกับลมหายใจพระองค์ไม่ได้มองย้อนไปข้างหลังแต่พระองค์มองไปข้างหน้า ไม่อย่างนั้นตรัสรูไม่ได้จะมารับรองได้ถ้ามองไปข้างหลังมากเกินเหมือนครั้งที่พระองค์จะเสด็จปรินิพพานหันระพักมองเป็นครั้งสุดท้ายรู้ว่าตนจะไม่กลับมาอีกแล้วเพราะพระองค์จะต้องไปละสังขาร ยมคิดดูมองดูก็ต้องจากจากชีวิตที่ยังเป็นเป็นอยู่แล้วก็เป็นครั้งสุดท้าย ถึงบอกเออการเสียสละเนี่ยจนถึงขั้นสูงสุดบําเพ็ญเพื่อเวนยศักเนี่ยมันยากยากจริงจริโยมฉะนั้นที่พวกเราให้ทานที่ให้กันอยู่ถ้ายัางว่ายากนะเสียงพวกเรานี้ ยังห่างไกลจากพระพุทธเจ้าจนถ้าพูธภาษาพวกเราว่านับกิโลไม่ได้ห่างกันไม่รู้ระยะเท่าไหร่แต่ถ้าเรามองไปมองไปพระองค์สละเพื่อเวนยยสัตว์แล้วก็จริงๆนะการสละครั้งนั้นเนี่ย ต่อมาพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตัวเนี่ยตายแต่ชื่อยังไม่ตายผลงานที่พระองค์ตรัสรู้ทุกวันนี้ที่เรียกว่าพระธรรมนะ่ยยังปรากฏชัดอยู่และยังมีประโยชน์ให้กับชีวิตรจริง ถ้าพวกเราไม่มีธรรมะนโยมตายหน้าดำํำเครียดทุก์ไม่รู้จะวางที่ไหนปัญหาไม่รู้จะแก้ได้อย่างไรใจจะสงบเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปแต่พอเราได้ปฏิบัติได้ฟังธรรมจากพระองค์แล้ว อย่างน้อยโยมต้องรู้จักเบื้องต้นของทานบา ร, รมีทานบา ร, รมีก่อนโยมต้องมีใจมองเพื่อนทุกข์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายสรรพชีวิตทั้งหลายล้วนมีความรักความเมตตาและการเสียสละแบ่งปันเจือจานช่วยเหลืออบอ้อมอารี ในอัตภาพที่เราพึงที่จะอยู่ร่วมกันยมก็ดูว่าเออใจของเรายังเป็นสัตว์ไหมเดี๋ยวกโกรธเดี๋ยวโมโหเดี๋ยวเครียดแค้นเดี๋ยวหยาบคายเดี๋ยวกระด้างเดี๋ยวดูถูกคนนั้นคนนี้จะมาว่าขนทางเหล่านี้นะ ผิดวิสัยของมนุษย์และเวลาโยมสิ้นจากชาตินี้ไปไม่ว่าใครส่วนมากตกเหวหมดไม่ได้ไปสู่สุคติน่ะเพราะคนที่มีความสุขอยู่ได้ก็อาศัยบุญบุญนี้ชื่อว่าความสุข แล้วจิตใจของคนที่ให้ทานบ่อยๆจะมีความสดใสโ ย, ยมนึกออกไหมคนมีน้ำใจจะเป็นคนที่ไม่หยาบละเอียดและจะมีความเย็นก็คือความเมตตาจะซ่อนอยู่โยมทำบ่อยๆสร้างบารมีทานไป รู้จักให้ทานเบื้องตน้นขนมนมเนยเข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าเก่าๆอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าไม่เหนื้อบากกว่าแรงไม่ลำบากรำบนอะไรช่วยเหลือกันได้แบ่งปันได้แบ่งปันเราอาจจะมองว่ามันเล็กน้อยสำหรับเราแต่สำหรับคนไม่มีโยมใช้ผ้าห่มผื้นเดียว มันยิ่งใหญ่นะคนที่มีแล้วไม่รู้คุณค่าก็น่าเสียดายแต่คนไม่มีเวลาหนาวขึ้นมาจริงๆอยู่วันใดที่โยมรู้สึกว่าหิวโหวยไม่ได้กินมาหลายๆเวลาโยมเชื่อไหมว่าอาหารจานนั้นไม่ว่าเป็นอะไร อร่อยหมดจิ้งกอยแขกก็อร่อยมันต้มก็อร่อยสลาปาไม่มีไส้มันโถก็อร่อยอร่อยหมดเส้นหมี่อร่อยหม ด, เ, มหมดเวลาคนกระหายน้าน้ำหยดสองหยดสามหยด มันเหมือนน้ำอมตะชุบชีวิตนาทิงบอกหลายคนมองชีวิตที่มีแล้วเหมือนไม่มีค่าตำมเสียดายเสียดายบุคคลที่เขามีแต่เขาไม่รู้จักสิ่งที่มีและเขาไม่รู้จักว่าความสุขเขาที่เขามีอยู่ น่าสงสารแดี๋ยวจะมาเทียมให้ดูคนที่นอนอยู่ริมฟุตบาทนอนอยู่ใต้สะพานแตมาถามโยมว่าเขาต้องการชีวิตอย่างนั้นไหมโยมตอบได้เลยบอกไม่ต้องการแต่ยังมีคนเหล่านี้อยู่แต่ว่าเสียสติจะว่าบ้านแตกสระแรกขาดจะว่าอะไรก็แล้วแต่โยม ว่าเขาเกียดครานหรือหมดหนทางก็สุดแล้วแต่แต่เราไม่รู้ว่าชีวิตจริงก็คืออะไรทำไมจึงผันแปรชีวิตชะตาจึงเป็นอย่างนี้ชีวิตของโยมยมยง ม, ม, มีเรื่องเล่ายังอยากจะบอกอยากอธิบายว่าเรามายืยนจุดนี้ได้อย่างไรหรืออะไรเป็นสินผลักดันให้เรามายืยนจุดนี้ ย่มอย่านึกนะว่าเราตัวคนเดียวเราจะสั่งชีวิตให้เป็นเหมือนที่เป็นไม่ใช่บางอย่างสิ่งที่ไม่อยากเป็นก็ต้องเป็นจำไบางอย่างอยากจะได้ก็ไม่ได้เรื่องไม่ใช่เรื่องบางทีก็มาหาก็มีไม่จำเป็นต้องขับรถไปชนก็รอกโยขับดีๆนี่แหละไม่รู้มาจากไหน เขาก็ชนได้ระหว่างคนที่นอนอยู่ตรงนั้นกับคนที่นอนอยู่ในฟูกใหญ่บ้านหลังโตมีรั้วรอบมีรีโมทกดไม่ต้องปิดเปิดคนใช้รีโมทกดขับรถคันก็เข้าบ้าน มีเครื่องปรับอากาศมีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างน้ำไม่ต้องตักเปิดฝักบัวก็มาต้องการร้อนก็ได้ร้อนกดปุ่มแดงต้องการเย็นก็ได้เย็นต้องการน้าอุ่นพอดีเอามาผสมเย็นร้อนก็ได้เห็นไหมโยม แต่ตะมาถามว่านอนหลับเป็นสุขไหมหลับสนิทไหมระหว่างนอนฟูกกับคนที่นอนอยู่ใต้สะพานลอยอยงเงี้ยเขาต้องปัดยุงจนแต่มาก็ว่าถูกเขาก็มีกลิ่นป้องกันยุงเขามีความเหนียวป้องกันมแมลงได้เพราะก็ดีเหมือนกันธรรมชาติก็สร้างเขาไว้ เขาอยู่ได้แต่พวกเราอยู่ไม่ได้เพราะอะไรชะตาเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่วันใดชะตาพลิกผันนิยมเรื่องจริงยมเคยตมาได้รู้จักกับคนหนึ่งเป็นคนจีนชื่อเสี่ยวลักตมามาก็เห็นเขาเป็นคนเสียสติแล้วลนะ่ะเขาถือ กระป๋องนมอันหนึ่งเช้าก็ออกไปหาตามร้านไหนให้ก็มีไม่ให้ก็มีก็แล้วแต่เขาก็ไปบางวันเขาก็ไล่แต่มาก็เห็นอยู่รองเท้าก็เขาเองทำเองได้เขาเอามาถักเอาเชือกมาถักกลางคืนเขาก็นอนตามหน้าบ้านบ้านไหนให้นอนเขาก็นอนดางยีเขาก็ไป ยอมรู้ไหมเบื้องหลังคนนี้เป็นตะกูลเศรษฐีใหญ่เพิ่งมารู้ตอนหลังบอกต่มาก็ยังเป็นเด็กอยู่ก็เคยไปแกล้งเขามือนกันพูดแล้วก็ยังรู้สึกผิดยังไปเอาแตงโมไปโยนใส่ยังเล่นสนุกกินแตงโมก็ไปเฟี้ยงเด็กหลายๆคนมันดื้อนัน พอเฟืยงเสร็จก็วิ่งหนีมันก็นไปแกล้งคนบ้าเอออย่างนั้นน่ะคนนึกขึ้นมาแล้วเราเองก็เป็นคนไม่ดีคิดเป็นเรื่องสนุกคนแก่กันเราก็เคยไปแกล้งก็คนเฝ้ า, าสิงตึงแก่แล้ว พอเสียงดังเขาก็ออกมาไล่เราก็ไปแกล้งยั่วเขาดังเสร็จพรวิ่ง อ, ออกมาแล้วก็วิ่งหนีพอกลับไปก็ย่องไปใหม่ทาเสียงดังพอไล่ก็วิ่งหนีอีกยังไงก็ไล่ไม่ทันเราหรอกดูนี่เด็กแต่คิดขึ้นมาแล้วมันไม่ดีอดีตเขาเป็นเศรษฐีตระกูลใหญ่ ไปไปมามา่ตมาไม่เข้าใจสุดท้ายเสียสติแล้วเขาอยู่ชิดตรงนั้นต้องเป็นสิบสิบปีนะอเออพอแตอมารู้ขึ้มารู้สึกเป็นไปได้เลยบอกเนี่ยวันนั้นเห็นว่ามีพี่น้องเขามามาหาบอกเขารวยนะนเนี่ย ชะตาชีวิตมันมีกรรมเป็นแรงหนุนโยมอย่าประมาทสิ่งที่เรามีอยู่รู้จักคุณค่า ม, มันไว้อย่ามองข้ามต้นไม้ที่อยู่รอบบ้านเราโยมต้องรู้จักมองและรู้จักร่มเงาของมัน และยมจะมีความสุขมีสนามหญ้ายมต้องมองสนามหญ้ารู้จักเข้าใจสนามหญ้ามองความเขียวมันมองความปลอดโปร่งกับมันและยมจะมีความสุขกับมันแต่ถ้ามีอะไรแล้วเราไม่เคยมองไม่เคยพอใจหรือไม่เคยรู้สึกอะไรกับมันเลยต่อให้ยมมีสมบัติทั้งโลกเหมือนคนล้มละลาย ดูเหมือนคนไม่มีอะไรเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอะไรใสนาฬิกาเรือนเป็นหลายหลายล้านฝังเพชรโ ล, ล็กเนี่ยเป็นต้นแต่เขาไม่เคยมองเขามองแค่วันเดียวเองพอใจตอนซื้อว่าสวยแต่ว่า ถ้าเราไม่เข้าใจชีวิตน่าสงสารสุดท้ายตัวเองไม่เคยทำอะไรให้กับตัวเองแท้จริงทำเพื่อสนองกิเลสเขาไม่รู้สึกตัวเขายังไม่รู้ตัวว่ากิเลสครอบงำจิตใจจนเขาไม่มีความสุขแล้วเพราะเขาไม่รู้จักเป็นผู้ให้ หรือไม่รู้จากการบำเพ็ญบารมีทานหรือความดีงามที่เขาจะต้องปฏิบัติสุดท้ายก็หลงทรัพย์สมบัติเป็นกิเลสแล้วก็ทำลายเวลาชีวิตของตัวเองหมดไปกับทรัพย์สมบัติฉะนั้นพวกเราที่บำเพ็ญ ทานแตมาว่าเรามาถูกทางละโยมอย่างน้อยก็ให้ตามมีตามเกิดของเรารู้จักอาโสิอภัยทานไม่ไปเคี่ยมโหดกับใครอะไรที่มันผ่านไปก็ให้เลิกแล้วต่อกันจะได้เป็นสุขและที่สุดทานอันสูงคือเราสละกกิเลส ทั้งหมดที่มีอยู่ในชีวิตเพื่อความพ้นทุกข์ก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงท่านนี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ญาติโยมทุกท่านทุกคนเทิน